พระราชาพรโรหิตได้ตรวจดูลักษณะของนิโคกุมาทีครับบ่ะที่ฝ่าเท้ า, ทาแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นผู้มีทุกก็ได้ให้ประคบดนตรีคึดแล้วก็อ เ, อเอิร์ฟไปยามที่เสด็จเป็นมาที่เสด็จ่าเป็นพระอาชาของราชาสมบัน <c oughs> ในกรุงพาราไม่ดีเรื่องทานองนี้ครับในสมัยปัจจุบันก็มีในอรีนี้แต่ว่ามันคนละแบบกันคนละแบบเมื่อก่อนนี้เขาใช้รถมาแต่เวลานี้เขาค่อยใช้รถเก่งใช้รถเก่งใช้รถเต้นใช้รถอะไรเนี่ยไปเชิญคนมาเป็นอะไรต่ออะไร ไปเชิญมาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีไปเชิญมาเป็นนายกรัชมนตรีก็มีออยู่ๆก็ไม่ได้ไปสมัครผู้แทนไม่ได้ไปเล่นกันเมืองไม่ได้ไปทำอะไรก็ไปเชิญเป็นนายกรัชมนตรีมาเป็นดุงกับว่ากษัตริย์ต่างพระองค์เขาก็ไปเชิญมา มาให้เป็นประชาติอันนี้ก็ก็เหมือนกับรัชรถมกกัสเตยในว่าระัชรถมกกัสเตยแต่ตำแหน่งเดียวกันแต่นี่พระเจ้ามีโทษแต่นี่เป็นพระราชาออก็สอบพระราชทานพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้กับสาราักขะรักขะกุ ม, มา แล้วก็พระประธานปฎิสะนี่ก็ยังต้องการจะยังตอนนี้ยังยังไม่ได้เป็นอะไรปฎิสะนี่ยังไม่ได้เป็นอะไรก็คงเป็นสาหายของพระอาจา แต่ยังไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรแถวนี้ก็ออกวันหนึ่งพระราชามิโกรตรงแล้วลึกถึงพระอภิมานตาดิจาผู้อยู่เมืองรดตะคุกก็เลยก็ <c oughs> เลยขอร้องให้พระโธิจะามีไปไปเมืองรดตะคุกขอให้ไปรับ บันดาดีดาทั้งสองมาที่เมืองพาราณสิตพรพธิจาก็ไปไปก็จาบเขียนท่านทั้งสองให้จากเรื่องราวทั้งสองอแต่อที่นี้ท่านทั้งสองก็ไม่ยอมมาหรือว่าไม่ไม่ยอมมาจาับโพติจารเจตผลอะไรก็ไม่ทับบจ้ะเพรท่านก็ไม่ได้ให้เหตุผลเอาไว้ เป็นคนอะไรก็ไม่ทราบทันไม่มาปณิสาก็กลับมา <c oughs> กลับมาคนเดียวกลับมาที่เมืองพาราสีแล้วจะคุยกับพาังสีนี่ไกลนะครับรไกลนุ่ยก็คิดวา่าเราก็เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยก็จะไประงับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรในการเดินทา ที่เรือนของเสนาบดีก่อนอก่อนที่จะก่อนที่จะไปเฝ้าพระอรหันต์ก็ไปที่เรือนของเสนาบดีเสนาบดีสาสนาแล้วก็ให้คนไปบอกว่าโพธิสัตผู้ที่เป็นทหายมาเบตาศาสนาเสนาบดีนี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนอักบัตันอยู่ อได้ปลูกเวรปลูกใจเก็บในโพติจารว่าโพติจารมี้ลำเพียงมีอภติไม่ให้เนื้อลำไม่ให้เนื้อลำไม่ให้เนื้อไส่ที่เป็นเนื้อลำให้เขากินไม่ให้เขากินแต่ถ้าเขาได้กินเนื้อลำแล้วเขาจะได้เป็นเทาาวดาต่วดา ให้เมื่อหลังเกิมีโกรธกูมาก็โกรธผูกใจเจ็บมาตั้งแต่นั้นแล้วก็บอกบอกพูดขึ้นมาที่มาติดต่อเนี่ยบอกว่าใครใครเป็นเปนสายหตุของเขาใครเป็นสาเหาุก่อนเใครเป็นราหายของเจ้าคนนี้มันเป็นคนด้ามันเป็นคนต้ามันเป็นลูกตาสี ก็ให้จับมันไว้แล้วก็ให้คนใจไปทุกขอีโพธิจักรก็ตั้งตั้งเตตั้งขึ้นเขาตั้งลงจอดแล้วก็ให้ไล่ไปโพธิจักก็คิดว่าสาขาหนี้เป็นคนกระตันตูวัตถุไตรลัยมีมีโคตรตันตนั้นเป็นคนกระตันตูเป็นกัะตู เราก็จะไปไปยังที่สูงเรยอสำนักของท่านบํณฑิตมิครแล้วก็ไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบว่ามารดาธิดาไม่ยอมมาทีานี้ก็ <c oughs> ไปหรงหน้าบรณฑิตพระจ่าก็คิดว่าธิตารนี่คงจะไปยึ่งสงฆพระราชาให้ ให้เี่ยนให้เปลี่ยนตัวอะไรให้ไปให้ไปเหมือนกันไปนขา้าวพระอาจารย์โปธิสการ์ก็ได้จับตูนตามความเป็นจริงว่าเสนาปดีได้จะทําอย่างไรกับตัวพระอาจารย์นั่นส่งเชื้อโปธิสการ์เพราะเป็นคนซื่อเพาเป็นคนซื่อแล้วก็สรงซื่อรับสั่งให้ทหารผูพิตสาปเสนาปดี แต่ทีนี้โพธิสามพันเป็นคนดีเป็นคนมีเมตาตาตามีเมต้นในสันดาะซึ่งจะพูดในข้อต่อไปครับเป็นคนที่มีความเมตตาตามีเมต้นในสันดาจึงได้ขอจีวิตเอาไขอติวิตของจักกะไปนาปฏิเอาว่าว่าขอให้เร้าองค์ทรงอภัโทษกบระกับบุตรกล้บโดยเฉยดสด็เป็นคนไม่ดี พอที่จะพระเจ้าก็ทรงอดโทษให้กับกาข่าแล้วก็ไม่จับถนาจ ะ, ะเลี้ยงต่อไปก็มีพระประสงค์จกพระราชการตำแหน่งเสนาบดีให้กับโพธิกจาแต่ว่าโพธิกาไม่จับขนาไม่ต้องการไม่ต้องการตำแหน่งเสนาบดี เป็นได้แค่ตามตําแหน่งคุณลังตําแหน่งคุณของให้คเพือนนะครับเป็นสมัยมี้เราถือเป็นพ ร, ระมุนีประทรวงครประมาณีเนียนหน้าปิดขาดในการพิจารณางบประมาณหรือว่าจัดสรรงบประมาณอะไรต่างๆในตำราท่านก็บอกทำลงนั้นแล้วก็ ในการตอบมาโพธิจักพึ่งเป็นธรรมดาจิตก็จเจริญด้วยบุพคิตาดี เ, เมื่อจะสั่งสอนบุพคิตาก็จะข้อความทํานองนี้นะครับบอกว่าควรคบบัณฑิตเช่ น, นี่โตรเท่า น, นั้นไม่ควรคบคนเช่นสามะในน้าปฏิ ว่าตายตายในสำนักของไม่โชคจะเกิดกว่าจะเกิดกวามีชีวิตอยู่ในสำนักของาาตาก่การมีอยู่ในการ ม, มีชีวิตอยู่ในสำนักของตาก่าไม่เกิดเกิดอะไรเกิด เ, เรื่องนี้จบจนะครับ เ, เรื่องสามคนจะหายสามคนไม่จบโดยซาดกนะครับ เรื่องคำนองเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่เป็นเรื่องที่มีทัศนคติแข่งอยู่เราต้องรู้จักเลือกอ น, นุขัตผมจะว่าเราสั่งแก้วมาจากต่างประเทศมาหรือสั่งแก้วเออเอเอเพื่อดามอะไรจากกรุงเทพไปต่างปะ่ะเไอ้นี่เขาไม่ได้ส่งไปวิเศษนะครับเขาต้องใส่ใส่ลัง ไ่ลังไ ป, ไปแล้วก็มีกระดาษน้ำทิชชู่มีฝอยมีอะไรต่ออะไ ร, ะไรใส่ดด ไ, ปไปด้วยใต่ไปด้วยเชื่วยกันไม่ให้ช่วแตกไม่ให้ช่วยจามแตกเวลาเราเอาช่วยจามเริซ้อนกั น, นอ่กมะเขาก็ยังเอากระดาษน้ำทิชชู่มาหุ้มเป็นซ้นเป็นจันกนันไม่ให้มั น, ต น, แ, ตนแตกแค่จันเตะสุภระสงคก็เคยส่ย ง, งทช่วยจามหรือส่งแก้ว เป็นของที่บอกปางแล้วมีราคามากเขายิ่งใช้ใช้เครื่องป้องกันที่หนาแน่นมากเป็นลังที่หนาแน่นเป็นอะไรต่ออะไรที่ดีมากแต่เมื่อเราได้รับแล้ว เ, เราจะเราจะเอาอะไรเราจะเอาอะไรเราจะเอาที้ฝอยจะเอากระดาษหน้ำมิ้ง จเอาย่างหรือจะเอาแก้วหรือจะเอาถ้วยชามแล้วเขาส่งถ้วยจามมาให้เราเราก็คงไม่โง่พอที่จะเออเาถ้วยจามทิ้งไปเอาแก้วทิ้งไปแล้วก็เอาขี้ฝอยออกจาดาษนั้นหรือเปลแล้วก็เอาลังใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดเราต้องรู้เราต้องรู้ว่านี่คือเขาต้องการจะรักษาแก้วต้องการจะรักษาถ้วยชามก็จึงใส่สิ่งเหล่านี้มาด้วยอืม ตอนเล่นชาดกเนี่ยท่านเล่าเอาไว้ไก่พูดได้อะไรพูดได้ เ, เรื่องมันก็เป็นทํานองนั้นแต่ว่าท่านต้องการจะให้ขัดติให้อะไรแก่เขาไม่ควรปฏิเสธเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเป็นองค์หนึ่งในนาวังขษาศัตรุศาสตร์หรือเรียกว่าชาติกะคือชาดกเป็นองค์หนึ่งในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่านาวังข้าศัตรุศาสตร์คือชาติกะอยางไั้นี่ย ในระดับต้นตอนต้นเนี่นะฮะเด็กมีบุญมาเด็กคนนั้นเกิดในในท้องของหญิงเข็นใจก็จริงแต่ว่าเป็นเด็กมีบุญเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเหตุการณ์ต่างๆมันบีบเข้าไปให้เขาให้เขาดีจนได้อะเพราะบุญเขามีจูเด็กมีบุญแล้แม่เอาไปทิ้งไว้ที่โคนต้นใส่ลูกสะพายเศรษฐีไปเจอเขา ไปเจอเข่าวแล้วก็เอามาเลี้ยงมันข้าวล็อกพอดีเลยท่านผู้ฟังที่กัาเราครับผมจะแกะให้ดูเป็นเรื่องเรื่องป็นช่วงช่วงไปแต่เวลาหมดไปแล้วครับไม่พอที่ผมจะแกะให้ดูว่าเรื่องนี้มีคติอย่างไรมีอะไรแผลงอยู่อย่างไร เ, เรื่องอโทษของคนไม่กระตันอยู่ก็ได้เล่าถึงเรื่อง คนสามคนนะครับคนหนึ่งชื่อเนตรพุธคนหนึ่งชื่อสาคะะคนหนึ่งชื่อโตติกาก็จบไปแล้วค่านี้ผมจะถอดความคือเมื่อคืนก่อนที่บอกว่าการที่เราฟังนิทานชาดกเครืองชาดกก็เหมือนกับการที่เรา ได้รับสิ่งของที่เขาส่งมาที่เขาส่งมาจากทางไกลมันก็มีกระดาษทั้อพิมพ์บ้างปอยบ้างอะไรเราก็เลือกเอาเฉพาะแล้วเอาเฉพาะสิ่งที่เราสั่งมาสิ่งที่เราต้องการเช่นแก้วหรือถ้วยชามนี่ก็เราต้องแกะเอาอประโยชน์ คือว่าคิดเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อยู่ในนิทานในคติในชาติที่เป็นคติเรื่องที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อคือนก่อนก็คือความเป็นผู้มีปุณเธคอคนมีปุ่อยางเด็กคนนั้นแม้จะเป็นลูกของผู้ยิงเข็นใจ แล้วก็เขาคลอดแล้วก็ทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไทรแต่ว่านั่นจากว่าเป็นคนมีบุญใด้ทําบุญไว้มากเป็นพระโพธิสัตว์นะครับก็ให้คนมีบุญมาเจอเขาเป็นลูกสาวเศรษฐีเป็นลูกสะพ้ายใหญ่เป็นลูกสะพ้ายของเศรษฐีใหญ่มาเจอเขา ก็กาลังต้องการลูกอยู่พอดีก็ไขล็อกนะครับเขาลอกกาลังต้องการลูกอยู่พอดีก็เอาแต่เลี้ยงและพอดีเขาก็เป็นคนดีมาเป็นคนดีต่อมาก็ได้เป็นเสนาบดีขอโทษได้เป็นพระราชาได้เป็นพระราชาพระวัฒนาดีพ่ามีบุญดีนั่นเอง อันนี้ก็อีกคนหนึ่งเพื่อนของเขาคือสาขาก็ได้เป็นเสนาบดีอันนี้ก็เบื้องต้นก็เป็นคนมีบุญเหมือนกันเป็นคนมีบุญเพราะนั้นใ้ความเป็นผู้มีบุญที่ได้ทำไว้ก่อนี่วุติเจ้าท่านจะไปในมงคลสามสิบแปดเรียกว่าปุปกะตะจากรพุญญาตา ความเป็นผู้มีบุญที่ได้ทําไว้ก่อนว่า<ม>เป็นมงคล น, นั้นสูงสุดอย่างหนึ่งธรรมะก่อนเนี่ยอาจจะหมายความถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยไปจนถึงเมื่อชาติก่อนนี้หรือเมื่อชาติก่อนก่อนนี้ก็ได้ที่ชาติมาก็ไม่รู้ถอยหลังไปเรื่อย ตันแต่เมื่อวันนี้เป็นต้นไปก็ถือว่านได้ทําไว้ก่อน <c oughs> ตอนนั้นก็ต้องมันทําบุญทําบุญวันละเล็กวันละน้อยเท่าที่จะทําได้ได้เท่าไหรก็อเอาเท่านั้นมันเป็นการสะสมนะครับสะสมสะสมบุญสะสมบุญวันละน้อย <c oughs> นานวันเก้ามันก็มากขึ้นเหมือนกับน้ำหย ด, ดลงทีละน้อยทีละจดุดกอเต็มภาชนะเต็มตุกเต็มไห่ได้อย่าประมาทบุญกรรมแล้วอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจานวนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลดูตุ่มน้ําเปิดหายกลางสายชน ย่อมเต็มเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนี้ก็เป็นกรที่จำเข้ามาไม่รับใครเป็นคนเขียนและได้ฟังทางวิทยุบ่อยๆเมื่อก่อนนี้มาจำเข้ามาเ <c oughs> ลาวก็ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือนิครดนี่เขาเป็นคนที่ตั้งตนไว้ชอบพระอรตสมมาปณิธิเป็นมงคลนอนีกข้อหนึ่งมัน ตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ดีตั้ง ต, น ด, ต, งตนดีเมื่อตั้งตนดีประกอบด้วยปุเพกระดาบุญเยบตาหนุนเข้าด้วยมันก็ยิ่งไปใจมากอาเพียงแต่ตั้งตัวดีอย่างเดียวแม้ไม่มีปุเพกระดาบุญเยบตาก็ายังไปได้ล่ะ แต่ว่าตรงกันข้ามแม้จะมีภูเบกตาปุญญาตาแต่ว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบก็พินาศได้ว่าพังพินาศได้เพราะฉะนั้นข้อสำคัญมากก็คือการตั้งตนไว้ชอบในปัจจุบันนี่เป็น <c oughs> ประการแรกที่ได้จากนิทานชาดกเรื่องนี้ จึงจะการต่อมาเรื่องไก่ที่มันทะเลาะกันไก่ตัวที่อยู่ข้างล่างเมื่อถูกไก่เวทหรือไทยุจระรถแล้วมันก็อวดอนุภาพของมันว่ารู้รู้ไม่รู้หรือเปร่าว่าเรานี้มีอนุภาพอย่างไงถ้าเผื่อใครได้กินเนื้อของเราแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจู่ก็จะได้สัพพันหนึ่งมันก็อวด กายตัวที่อยู่ข้างบนมันก็อดไม่ได้ก็อวดเหมือนกันว่าใครได้กินเนื้อล้ำของเราจะได้เป็นพระราชาว่าใครได้เป็นใครได้กินเนื้อกลางๆทํากลางกาง็ะจะได้เป็นเสนาบดีใครได้กินเนื้อติดกระดูกก็ะจะได้เป็นขุนคลังก็อวดกันไปอวดกันมา ไอ้คนที่อยู่ข้างล่างตัวทิตต์ที่อยู่ข้างล่างเราย่องเงินไปจับจับปลาปิ้งเสียอแล้วก็เอาเนื้อล่ำให้กับนีโครดซึ่งเป็นหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเขาโดยตงเป็นหัวหน้าเป็นนายเขาโดยตรง <c oughs> แล้วก็ก็ยังมีน้ําใจเอาเนื้อเอาเนื้อกลางให้กับสาขาแล้วตัวเอง ยอมกินเนื้อติดกระดูกยอมกินเนื้อติดกระดูกอันนี้ได้คติท <c oughs> ําให้เราได้คติดด <c oughs> ว่ามีดีแล้วอย่าหดมีดีแล้วอย่าหดก็ <c oughs> เาเก็บไว้เก็บไว้ใช้เมื่อจําเป็นเมื่อจําเป็นจริงๆถึงเอามาใช้ เ, เหมือนคนมีดาบคมมีมีดคม เ, เขาต้องใส่ฝักเก็บไว้ให้ดีอย่าเที่ยวแกวงดาบหรือเที่ยวแกวงมีดอยู่มันมันอันตรายอันตรายแก่ตัวเองอันตรายแก่ผู้อื่นเราเจ็บไว้ให้ดีแล้วก็ถึงกาจําเป็นค่อยเอามาใช้ ก็มีดีก็อย่าอวดเอาไว้ใช้เวลาจำเป็นอวดแล้วก็อาจถึงตายมันเหมือนไก่มันไก่ตัวบน้าไทยนี่้าไทยยะแกว่าโอ้อวดมันเป็นอุปกิเลสอย่างหนึง่งซึ่งคนโดยทั่วไปมันก็มีนะครับมันอยากจะอวดมีอะไรแล้วไม่ได้อวดมันก็คกลุกคลักคุกคลักอยู่ข้างใน อยากจะอวดแต่ว่าผู้ที่ศึกษาทมแล้วก็สำเนียกดีแล้วแตหนักดีแล้วเขาก็พยายามตบมันลงไปมันคิดอยากจะอวดแต่เขาเขาพยายามตบมันลงไปมไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาคนที่วดมั่งหดมีหดทรัพสมบัตินี่อันตรายครับ อันตรายเวลานี้มีทองหยองมีส่สร้อยมีอะไรต้องเก็บไปให้ดีถ้าไม่มีอารักขาดีๆแล้วเที่ยวใส่อวดคนอันตรายลาอหูรอดตาพวกโจนขโมยพวกนักเลงเยอะเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เ ว, ชเวลาจำเป็นคิดว่าจะปลอดภัยมันจะปลอดภัย ก็มีเรื่องน่าคิดนะครับมันมีเรื่องน่าคิดทางโลกเนี่ยเขาปิดพยายามปิดความชั่วแล้วก็เปิดเผยความดีเร <c oughs> าต้องปิดความชั่วอวดความดีมีดีอะไรก็เอามาอวดกันแต่ว่าทางธรรมทางธรรมนี่พระพุทธเจ้าท่านให้ ให้เก็บความดีให้เก็บความดีหรือว่าให้เก็บความดีเอาไว้แล้วก็เปิดเผยความชั่วของตัวแล้วก็เปิดเผยความดีของผู้อื่นว่าป ก, <c oughs> ปกปิดความดีแต่ว่าเปิดเผยความชั่วของตัวแต่ว่า ให้เปิดเผยความดีของผู้อื่นตัวอย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีคุณวิเศษอะไรออย่างพระสงฆ์เนี่ยนะครับพระสงฆ์นี่ถ้ามีคุณวิเศษอะไรเช่นได้ฌานได้วิปัสสนาได้สมาธิสมาบัติได้มรรคผลมิตรพานอะไรนี่ท่าน ให้ปิดเอาไว้ไม่ให้บอกใครถ้าบอกไปน้ำบัดนะบอกแก บ, <c oughs> บอกไปชาวบ้านบอกแกไปชายชนแม้แต่สามเณรก็บอกไม่ได้ก็เรียกว่าอนุปสัมบัติคือผู้ที่ยังไม่ได้บวดผู้ที่ยังไม่ปวดเราจะบอกได้บ้างก็เฉพาะพระภิกษุด้วยกันแต่บอกได้บ้าง ด้วยด้วยเจตนาที่จะให้เป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติถา้าดีถ้ามีดี <c oughs> ถ้ามีดีท่านนายปกปิดเอาไวา้แต่ว่าถ้าไปทำความชั่วไปทำความผิดท่านให้เปิดเผยอย่างเช่นว่ า, าไปทำไม่ดีแล้วก็เป็นอาบัตเป็นอาบัตนี่ต้องมา มาเปิดเผยอาบัติที่เขาเรียกว่าสแสดงอาบัตมาเปิดเผยให้พระอย่างน้อยรูปหนึ่งได้รู้ถ้าเป็นความชั่วนหนักเรืออาบัตหนักก็ต้องเปิดเผยกับพระเป็นจำนวนมากอย่างน้อยก็ยี่สิบรูปต้องเปิดเผยแล้วก็ต้องออกักบริเวณต้องออทำโทษลงโทษตัวเอง กาก บ, บริเองห้ามไม่ให้ใครกราบใครไหว้ห้ามตั้งหลายอย่างนี่ก็ว่าทำความผิด <c oughs> แต่ว่าต้องเปิดเผยแต่เราให้ปิดความดีแล้วก็เปิดเผยความไม่ดีแต่ถ้าเป็นความดีของคนอื่นก็ให้เปิดเผยความดีของผู้อื่นออันนี้อเป็นคติให้เราได้เราได้จาก ชาดกเรื่องนี้ว่ามีดีมีดีแล้วอย่าหดล อ, องพยายามเก็บเอาไว้อหดหดความรู้หดมั่งอวดมีหดเดชศักดาอวดอะไรต่ออะไรมันไม่ดีทั้งนั้นน ะ, ะเจียมเนื้อเจียมตัวดีกว่าสงบส ง, งยมเจียมตัวดีกว่าว่าความ ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่ก็ได้ผลมากที่สุดแล้วก็ให้ช่วยกันจาจาเอาไว้แล้วก็นาไปใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยแต่ว่าได้ผลมากที่สุดตอนนี้มามาดูเรื่องสาาักขะสาขะเสนาบดีเนี่ย ก็ได้ตําแหน่งเสนาบดี <c oughs> เพราะโปติกาโปติกะเป็นคนขึ้นไปจับไก่แล้วก็เอามาเอามาแบ่งให้เอาเนื้อเอาเนื้อล่ําให้กับนิโครดแล้วก็เอาเนื้อกลางให้กับสาขะว่าใครได้กินเนื้อกลางจะได้เป็นเสนาบดีสาขะได้ตาแหน่งเสนาบดีก็เพราะโปติกะ แต่ทีนี้กลับทำร้ายโปรติกะเพราะความไม่พอใจแลาไม่พอใจที่ไม่ให้เนื้อล่ำซึ่งเป็นเหตุให้ตัวจะได้เป็นพระราชาจะกลับไปให้คนอื่นไปให้คนอื่นในที่สุด <c oughs> ตําแหน่งเสนาบดีนั้นก็หลุดร่วงแล้วตนเองก็ตกตำ่ำตกต่ำเลือกเกิด พระราชาต่างให้ประหารชีวิตแต่ว่าโปรติกะเป็นคนห้ามเอาไฟขอร้องว่าอย่าไปเอากันถึงชีวิตเลยเนี่ยพระราชาเขาเห็นแก่โปรติกะซึ่งเป็นคนดีเป็นบันดิ์ก็ยอมแต่ว่าไม่เอาแล้วไม่ครบแล้วไม่เลี่ยงแล้ว <c oughs> เนี่ยครับเออมันมันน่าจะพ อ, อ, อว่าตามความเป็นจริงแล้ว อ, อ, อยู่เฉยๆไม่ต้อง ผลขวายไม่ต้องดิ้นรนอะไรเพราะได้เป็นถึงเสนาบดีมันก็ควรจะพอใจมันเกินพอเสียด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่เป็นคนดีรู้จักมักน้อยสันโดษรู้จักเพียงพอรู้จักพอก็น่าจะพอมันมากเกินไปมากเกินไปโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเอาไว้ในที่แห่งหนึ่งในชาดกหนึ่งว่า อากาศันยุสะโพ ส, สะว่านิจจังวิวัตสิโนสัป บ, บันเจปะทวินดัชชาเนวะนังอภิราทยเจแม้จะให้แผ่นดินทั้งหมดแม่จะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอากาศันูเู่มีปกติแสหาโทษของคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็ไม่ทำให้เขาพอใจได้